ใครจะชังมันก็ชังผัวเขาแค่ตัวเรารู้เราชังเขาปะไรใครจะชักใครจะแช่งใครจะแปลงใครจะยันก็ให้ชังหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไปใครจะชมใครจะเชิดกว่าประเสริฐเลิศรู้ตัวเรารู้เราอยู่ปล่อยเขาชมไปใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเสียดใครจะสีก็เรารู้ตัว ดีปล่อยเขาทําไปเกิดเป็นมนุษย์สิ้น ต้องว่าตอบไปไม่สนใครไม่ชอบยัยจะต้องใส่ใจจะจะคิดใส่ความยัยจะต้องบุญจิตหากตัวเราไม่ผิดจะไปคิดทำไมเกิดเป็นมนุษย์สิ้น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 มีการวินิจฉัยเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่ า, าจากตุลาการศาลนุนกรณีที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนส่งความเห็นของสมาชิกจำนวน27คนให้ศาลวินิจฉัยนะครับว่าร่างพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา35วงเล็บ4วงเล็บ5มีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับ รัฐธรรม น, นูญมาตรา95วรรคาหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ผลจากการพิจารณาของศาล ร, รัฐธรรมนูญมีนนมติเอกชันว่าร่างพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา35วงเล็บ4และวงเล็บ5นะครับซึ่งมีการมันจัดไว้นะครับว่าผู้มีสิทธิ์ดำรง มีสิทธิเลือกตั้งนะครับนะถ้าไมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ได้ไปแจ้งเหตุไว้ก่อนนะครับซึ่งผู้นั้นก็จะถูกจํากัดสิทธิในการดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองนะครับรวมทั้งไม่ให้ดํารงตําแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหารท้องถิน่นนะพวกเลขานุ ก, การผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยเลขานุ ก, การนะครับนะประธานที่ปรึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งการกําหนด ข้อความดังกล่าวไว้ในกฎหมายนี่ก็ไม่มีไม่มีข้อความใดที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญศาลว่าอย่างนั้นนะครับนะศาลว่าอย่างนั้นส่วนกรณีมาตรา92นะของร่างพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่กำหนดให้ในส่วนของกรรมการประจำหน่วยเนออำนวยความสะดวกแก่คนพิการคนทุพพลภาพผู้สูงอายุในการออกเสียง นะก็ให้คณะกรรมการนมอบหมายนะให้มีคนมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุคนพิการอะไรต่างๆเนี่ยนะ ท, ที่กำหนดไว้ในกฎหมายเนี่ย ก, ก็ไม่ผิดนะฮะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดนะสามารถที่จะดำเนินการได้จะผลจากการลงมติ ด, ดังกล่าวก็ทำให้รถแมปเกีย่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากการเปิดเผยของนายบุดมรัฐ อมริตซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐนูลก็กล่าวว่าภายหลังจากที่ศาลรัฐนูลวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายเลือกสสนี่ไม่ขัดรัฐนูนหลังจากนี้นี่ศาลรัฐนูลก็จะส่งคาวินิจฉัยนี่กลับมายัางสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะส่งร่างกฎหมายต่อไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยงตรีเพื่อนาขึ้นทูลเกลา นะครับก่อนจอจะมีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็มีระยะเวลาไม่เกิน90วันนะครับเพื่อเมื่อลางกฎหมายได้รับการโปรดเก้าแล้วก็จะทําให้กฎหมายลูกทั้ง4ฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งมีผลนะครับนะซึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็จะดําเนินการต่างๆให้ให้แล้วนะครับนะแล้วหลังจากนั้นนี่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ทันนับจากเดือนมิถุนายน ปีนี้ไปจนไปจำนวน11เดเดือนก็จะตรงกับเดือนเมษายนปีหน้านะครับปี2562พอดีซึ่งก็สามารถที่จ ะ, ะดำเนินการเลือกตั้งได้นะจัดการเลือกตั้งได้นะครับซึ่งอาจจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี262พ่ยกตามที่นายงตีประกาศไว้หรืออาจจะชื่อออกไปก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นี้ตรงนี้นี่ก็ ติดตามกันนะครับนะเพราะรถแบบนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับพอรถแบบชัดเจนนี่ก็จะทำให้พักการเมืองต่างๆเนี่เริ่มมีการขยับในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับนอะาจะมีขอจากขอสชอาจจะต้องขอเรียกประชุมสมาชิกมีการพิจารณานโยบายอะไรต่างๆเพื่อที่จะ ให้นโยบายเนี่ยมาสอดคล้องนะครับกับความต้องการของของพี่น้องประชาชนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะเห็นกิจกรรมของพรรคการเมืองต่างๆติดตามมานะครับเราก็คงจะต้องดูนะครับว่าพรรคไหนจะมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการศึกษาหรือสาธารณสุขหลังต่างๆที่ยังต้องสะสางกันอยู่เนี่ยนะครับนะกันอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกัน ต่อมารับฟังเพลงสักเพลงนะครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ นสุท้ยตอนต่อวันบ่ายคล้อยลงมานายสั่งให้ลงมือฆ่าเด็กตาดำดำศรัทธาสลายความเป็นตายไล่เรียงเป็นชาจากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนียวไกปืนเยียบศพขามไปคว้าเอาเงิน ถามความจนที่ฉันนี้นาปากกตีนที่เปรื่อยมาตีรันฟันแทงแกล่งกล้าหนุ่มกระทงไม่เคยลีหนีใจผู้ใดแรงมาเราก็แรงไปกัดแกงแย่งชิงก้อนเงินจนพกกับนา ผู้มากลายด้วยบารมีเงินยิ่งใหญ่คับเมืองทุกคนต้องกุมหัวมือกุ่มตั้มฝากตัวรับทายนายเป่าหัวผู้ขวางทางเดินไายส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของท่านเหลืองเหลือ สบแปร่ทานไปสบสองสบสามค่อยคอยผ่านไปล้มผิดคิดทาคุมใจก่อนเดินมาถึงวันนี้ โชครายเขาเห็นหนายซื้อขายกัญชานายมองแล้วส่งสายตาฉันพะว่าใจตกลงตีนไปตายซะเถอะหันปืนเขาหาหัวหนายเหนียวใจแล้วฉันโลกใจได้กลิ่นไอของความดีงาม ตัวรับใช้นายนเป่าหัวผู้ขวาทางเดินนายส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ ฉันยังเป็นมนุษย์หัวใจลอยล่องไปแสนไกลขอตกตายด้วยมือตัวเอง ครับมารับฟังาสาระน่ารู้กันกันต่อนะครับในช่วงนี้ในในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับซึ่งประชุมเมื่อวันที่16พฤษภาคมก็ยังมีมติที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50 เเซต่อปีรายละ 1.50 นะครับนะก็ เนื่องจากว่าตอนนี้นี่เรามองว่ า, าการาการส่งออกในไปต่างประเทศสินค้าหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มทำไรายได้ที่มากขึ้นนะครับการบริโภคภาคเอกชนนี่ขยายตัวดีนะคับนี่เป็นทัศนะของธนาคารแห่งประเทศไทยการจ้างงานก็จะปรับตัวนะครับนะคือเราได้การท่องเที่ยวมาช่วยเสริมนะครับที่พยุงเศรษฐกิจรวมทั้งการส่งออกของผู้ส่งออกรายใหญ่ในขณะที่ครัวเรือน ที่มีรายได้น้อยเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่ายังมีรายได้ทรงตัวแล้วก็มีปัญหาหนี้สินในครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมากนะในระดับสูงนะซึ่งยังเป็นปัจจัยฉุดหลังการบริโภคสําหรับครัวเรือนเกษตรก ร, ะกรนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับแล้วก็รัวบวกกับนะราคาสินค้านี่ปรับสูงขึ้นนะครับนะ อ่าเพราะว่าราคานะ้ำมันสูงก๊าซสูงเนี่ยราคาจะขยับขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่อา่าตรงนี้นี่ก็คงจะต้องมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพยายามที่จะลดหนี้สินครวัวเรือนว่าจ ะ, ว, าจะว่าจะทำอย่างไรนะครับนะในเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องต้อ ง, ต, องต้องดูนะครับนะว่าว่าจะทำทําอย่างไรจะแก้ปัญหากันกันอย่างไรนะครับนะเพราะว่าถ้าราคาของ ของน้ามันของอากาศขยับขึ้นนี่กระทบกับประชาชนโดยโดยตรงแหละครับโดยเฉพาะก๊ารถุงต้มนี่ชาวบ้านก็ต้องใช้ก๊าซในการหุงต้มนะครับร ก, รกันนะครับแก๊สนะครั บ, รบนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็กระทบกันมากนะครับว่าหลายคนก็บอกว่าขยับไปถึง400นะซึ่งชาวบ้านเดือดร้อนก็ทําให้ราคาสินค้าเนี่ยสูงเราจะเห็นว่าข้าวแกงก็ดีร้านข้าวแกงนะครับร้านอาหารต่างๆขยับขึ้นราคากัน ครับซึ่งการทวนหน้าแหละครับในช่วงนี้นะครับเนีเพราะฉะนั้นนี่คงคงจะต้องดูนะครับมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันของของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามีการจากราคาหน้าลงกลั่นเนี่ยจะพอๆกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเนื่องจากมีการเก็บเข้ากองทุนน้ํามันก็ดีกันมีภาษีอะไรต่างๆเข้ามาคงสร้างภาษีเข้ามาทําให้ราคาเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะสูง เ, งเมื่อเทียบกับมาเลเซียนะครับซึ่ง ก็มาเลเซียนี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เก็บเข้ากองทุนหรือว่าเก็บภาษีนี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับนะเพราะอย่างแต่ละประเทศนี่มีการบริหารเศรษฐกษิจที่ที่ไม่เหมือนกันแลครับนะคงจะต้องไปดูในในรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันกันบ้างนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆที่ออกมานะมีโครงการไทยนิยมนี่ก็กำลังมีการลงไปสํารวจมีการ จัดเวทีกันนะครับนะในพื้นที่ต่างๆนะว่าจ ะ, ะแก้ปัญหาในพื้นที่กันกัน อ, อย่างไรนะครับกอ็อย่างที่บอกแล้วครับนะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรนี่ก็จะเป็นตัวที่จ ะ, ะช่วยในฐานะเศรษฐกิจของฐานรากไ ด, ได้เป็นสิ่งอย่างดีนะโดยเฉพาะราคาข้าวถ้า ทำให้ราคาข้าวที่ชาวนาในจําหน่ายให้กับโรงศีเนี่ยราคาสูง <S <S สูงขึ้นนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับนะเพราะว่าในในในขณะนี้ราคาข้าวแม้ว่าจะสูงขึ้นแต่ว่าก็เป็นราคาข้าวที่ไปอยู่ในมือของลุงศรีลูกค้าส่งออกนะก็จะไม่มีผลต่อบ ต, ต, ต่อเกษตรกรนะร <S <S ชาวราชานานะครับนะเพราะนั่ น, น ค, งคงพยายามที่จะกระตุ้นสินค้าทางการเกษตรรวมทั้งราคายางพาราเนี่ยนะครับจะจะทำอย่างไรที่จะให้ ให้สูงขึ้นนะอาจจะต้องมีการนรํนำยางพา ร, ราเนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะมากขึ้นหรือไม่นะมีการแปรรูปอะไรต่างๆนะครับนะเพราะจะส่งผลต่อต่อพี่น้องเกษตรกรนะรรต่อเศรษฐกิจนะของในระบบาฐานลาาดโดยโดยตรงนะครับนะเพราะในตรงนี้คงจะต้องอมีหลายๆวิธีเรื่องการท่องเที่ยวอ่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ท, ที่ที่รัฐเนี่ยเริ่ม ที่จะเห็นความสําคัญของชุมชนนะมีการมาส่งเสริมให้กับชุมชนจัดการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรนะใช้นะักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศในประเทศมาพักในชะุมชนดูประเพณีขนรรมรำเนียบประเพณีต่างๆวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวใ น, ในชนบทในหมู่บ้าน ก, ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะคือเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในในเมืองรองนะครับในในเมืองรองนี่ก็มีหลายๆเมืองที่ได้รับความสนใจที่นักท่องเที่ยวมามาม า, มาเที่ยวกันมากนะครับนะ่ะที่เด่นๆในอีสานอย่างเช่นบุรีรัมย์อย่างนี้นะครับนะก็เป็นเมืองที่เน้นกีฬาก็จะมีคนที่จะมาท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าพยายามที่พัฒนาส่งเสริม <Pablo> เกี่ยวกับเรื่องของของกีฬานะครับนะรวมทั้งผ้าไหมายเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเลยต่างๆ นะก็มีอีกหลายหลายจังหวัดนะในในในแต่ละภูมิภาคที่น่าจ ะ, ะส่งเสริมให้เมืองรองเหล่านี้ได้ได้มีการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมาในในภาคกลางอาจจะมีสุพรรณบุรีหรืออาจจะมีชัยนาธหรืออาจจะมีราชบุรีเสริมขึ้นมาภาคใต้ก็ อ, อาจจะเป็นตรังสตูลอะไรต่างๆคือเมืองรอ ง, องๆภาคเหนืออาจจะเป็นลำปางหรือน่านนะครับซึ่งก็เป็นจังหวัดที่น่าสนใจส่วนอีสานนี่ อาจจะเป็นบุรีรัม์อาจจะเป็นหนองคายหรืออาจจะเป็นนครพนมก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีหลายๆจังหวัดนี้ก็มีศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับนะถ้าเราทำดีๆก็จะเป็นตลาดทั้งที่มาช่วยพยุงเศรษฐกิจของเราให้ให้เติบโตขึ้นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงฝากไว้สำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงไทย ของรายการแล้วครับชีวิตจะสั้นเพราะความบุรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสุ บ, บุรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธา น, านันต้องขอท่านขอลาท่านเพิ่มไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ขอแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกราความหวังห้ววา จะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครนอขอเป็นทานให้ฟันให้ไฟ ขอเป็นทางให้กนได้ไหมดังยาดฝนบนฝาาไกลที่ยาดริมสู่ือ n o w